วันนี้หลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อสุจินมาใกล้วันเกิดท่านเดี๋ยวเทศเสร็จจะส่งน้ำท่านท่านลูกศิษย์หลวงปู่หลุยหลวงปู่หลุยใครรู้จักไหมแล้วต่อมาท่านมาเรียนยากหลวงปู่ดูลบวชหลวงปู่ดู ล, ปดดลเป็นพระอุปัชา หลวงพ่อรู้จักท่านตั้งแต่ปีสองหกนานแล้วนะสมัยนั้นท่านยังหนุ่มอยู่เห็น <c oughs> พระมีความเปลี่ยนมากถ้าพระองไหนบวชแล้วได้ใช้ชีวิตอย่างท่านนะมีความสุขมากเลยไม่มีขนยุ่งด้วยสบายหลวงปู่สอนท่านท่านอาพาธอั น, นั้นอาพาธหนะัก ท่นนึกว่าจะมรณาภาพท่านก็ดูของท่านไปได้ก็หายแทนที่จะตายนะกับหายไปถามหลวงปู่ว่าถ้าจะตายจริงๆจะวางจิตยังไงหลวงปู่เลยสอนวางสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัยังเลียตกกระไดพลอยโจน ตัวก็ได้พอจนก็คือชีวิตะสมาสีสีนั่นแหละนี่จะทําได้หลวงปู่ก็กทําได้ถ้าเคยทำเคยทำคือจิตใจเคยปล่อยวางทาตวางขันมาแล้วเนี่ยนาทีสุดท้ายชวนตัวขึ้นมันก็วางง่ายวางได้ถ้าจิตใจไม่เคยปล่อยเลยมันปล่อยไม่ออกนี่พวกเราเรีบภาวนานะดูธาตุดูขันให้มากๆ ให้ใจมันปล่อยถ้าปล่อยแล้วปล่อยเลยไปเลยได้ยิ่งดีนะถ้าปล่อยไม่ได้ก็ไปสู้เอานาทีสุดท้ายอีกทีหนึ่งอยู่ที่จิตดวงเดียวนะจิตเป็นคนสร้างโลกจิตนด่แหละไปสร้างภพขึ้นมาจิตมีคุณภาพขนาดไหนก็สร้างภพขนาดนั้นเราต้องพัฒนาคุณภาพจิตของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะที่อยู่ของจิตนะภูมิของจิตนะภูมิ มีอยู่สี่ภูมิแลกเรียกกามาวัจระภูมิจิตอย่างพวกเราเนี้จิตอยู่ในกามเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสจิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปนเป้าไปอยู่ในรู ป, ปรภูมิไปเพ่งรูปสงบจิตใจสงบอยู่กับรูปมีความสุขความสงบระณีขึ้นไปก็เป็นอรู ป, ปรภูมิ เพ่งรูปเช่นเพ่งความว่างอยู่ในการมาวัฏเจภูมิอย่างพวกเรานี้แหละภาวนานดีร่างกายของเราก็ไม่คงทนเท่าไหร่อย่างไปเป็นเทวดานะนหรือเป็นปลมรูปประปรบเนี่ยโอ้อยู่กันนานร่างกายคงทนมากเลยเทวดาอยู่ในการมาวัฏเจภูมิแบบเรานะแต่ว่ารูปของเขาละเอียดดูรูปยากต้องดูจิตเอา พวกรูปประภูมิก็ต้องไปดูจิตเอาถึงจะดีดูรูปนี้ปล่อยยากเลยรูปมันเที่ยงมันไม่ค่อยแปรปรวนให้ดูพวกเทวดาพวกพรหมเขาจะรู้สึกถึงความแก่ของร่างกายนะในตอนที่จะตายเท่านั้นนะร่างกายจะแก่ให้ดูตอนนั้นนิดเดียวเองส่วนมากดูไม่ทันตกระไดพอยโจรไม่ทันนะโจรลงมาข้างล่างเลย <c oughs> ไม่โจรเป็นนิพพาน จิตใจอย่างพวกเราเนี่ยนะในอัตภาพของมนุษย์นะในภูมิกามาวชจจะภูมิในภพมนุษย์ภพมนุษย์นี่อยู่ในกามาวัจะภูมิเป็นภพที่เหมาะที่สุดเลยสำหรับการภาวนาร่างกายของเราก็ไม่คงทนมากมีความแปรปลวนให้ดูได้ความรู้สึกภายในก็แปรปรวนรวดเร็วมาก ยังเป็นเทวดาเป็นการมาวัจจรภูมิจริงนะแต่ว่าอยู่ในภพของเทวดาความสุขมันเยอะร่างกายก็ไม่แปรปลุนให้ดูยิงภาวนาลำบากหน่อยกรรมฐานที่เหมาะกับเทวดานะคือการดูจิต ด, ดูใจของตัวเองเป็นกรรมฐานที่ละเอียดเข้าไปอีกยันเวลาพระพุทธเจ้าไปสอนเทวดาสอนอภิธรรมเลย สอนเรื่องจิต ท, ที่ละเอียดเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรนี้นะเรื่องรูปของสอนนิดหน่อยอะรูปของเขาไม่ได้ประกอบขึ้นมาด้วยวัตถุแบบพวกเราภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เหมาะกับการปฏิบัติร่างกายก็แ ป, ปรปลวนรวดเร็วจิตใจแ ป, ปรปลวนรวดเร็วอย่างเทวดานี่มีความสุขความสุขนาน พวกผล่มีความสุขบ้างมากมีอุเบกขาตามลาดับไปมันเหมือนคงที่ยิ่งพวกโผล่นะร่างกายก็เหมือนคงที่จิตใจก็เหมือนคงที่ดูใจรักยากของเราร่างกายเไม่คงที่จิตใจเ็าไม่คงที่จริงๆของเขาก็ไม่คงที่นะแต่ว่ามันแปรปรวนช้า กว่าจะได้เห็นเกิดดับสักครั้งหนึ่งนี่นานมากเลยร่างกายว่าจะเห็นว่าร่างกายเกิดดับจะตายล่ยเห็นพระพุทธเจ้าเลือกตรัสรู้ในภูมิมนุษย์ไม่ไปตรัสรู้ในภูมิของเทวดาของพรหมรูปประพรหมหรูปประพรหมอะไเนะี่ภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่เรียนธรรมะง่าย แล้วถ้าตรัสรู้ตรงนี้พวกเทวดาก็มาเรียนได้พวกปลมพวกเทพอะไรมาเรียนได้เป็นตรัสรู้ในเทวโลกพวกเราไม่มีปัญญาไปเรียนเราต้องภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราพระพุทธเจ้าบอกการเป็นมนุษย์เป็นของยากยากที่จะเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีลาภมาก พวกเทวดาเวลาจะตายพวกเพื่อนเทวดาก็จะมาอวยพรขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะพวกเราถ้าจะตายขอไปขึ้นสวรรค์เนะทวดานะขอให้ได้เป็นมนุษย์อาจะได้มาพัฒนาคุณงามความดีเขาเริ่มเห็นล้ความสุขของเขาก็ไม่เที่ยงแนะเขาจะตายแล้วของสวยๆงามๆก็เสื่อมร่างกายเนี่ย เทวดานี่ไม่มีเหงื่อออกเลยนะเจอมีเหงื่อซึมออกมาตอนจะตายะเริ่มแสดงปฏิกูลอนะุสาวรียให้เห็นได้นิดหน่อยเท่านั้นนะี่นพวกเราคือพบที่เทวดาอยากมาเกิดเทวดาสัมมาทิฏฐินะเทวดามิจฉาทิฏฐิไม่อยากมานั้นต้องภูมิใจได้เป็นมนุษย์แล้ว่าจะเป็นมนุษย์นี่ยากนะ เห็นเขียนไหมว่าสัตว์มีเยอะมนุษย์มีน้อยไปเกิดเป็นสัตว์นี่ง่ายมากเนี่ยดูมดฝูงหนึ่งต้องเท่าไหร่เนาะพวกเราในสารานี่ยังไม่เท่ามดหลังเดียวเลยหมือปลวกหลังหนึ่งมันเยอะกว่าเราเยอะดังโอกาสจะเป็นมนุษย์นี่ ย, ยากตัวที่ส่งผลให้เราเป็นมนุษย์นะคือความมีศีลงั้นศีลเนี่ยเป็นมาตรฐานของมนุษย์ ต้องมีศีลถ้าเราไม่รักษาศีลให้ดีเราก็จะพลาดจากความเป็นมนุษย์พลาดลงข้างล่างไม่พลาดขึ้นข้างบนหรอกถัดจากนั้นเราต้องใช้โอกาสที่เรามีมาพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกาการเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากแล้วยากยิ่งขึ้นไปอีกคือการได้ฟังธรรมยากยิ่งกว่าเป็นมนุษย์อีก เพราะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนได้ฟังธรรมมนุษย์บางคนเท่านั้นได้ฟังธรรมนานๆพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สักครั้งหนึ่งถ้าคนไหนภาวนาแล้วเราลึกชาติได้ยาวๆนะมันจะมีความรู้สึกชาติใดที่ไม่พบพระพุทธศาสนาจะรู้สึกวังเวงให้คําว่าวังเวงไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะ ดีแต่มันวังเวงใจนะมันไม่มีทิศทางไม่รู้จะไปยังไงถ้าทําทานถือศีลทําสมาธิไปเแต่ว่าไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปยังไงจะไปที่ไหนยังไงชีวิตไม่มีเป้าหมายเหมือนหลงอยู่ในทะเลกว้างขวางไม่เห็นฝั่งไม่มีคลื่นลมรุนแรงเลย ใ, ใจมันเวิงว่างวังเวงไม่มีที่พึ่งที่อาศัย ชาติใดที่พบพระพุทธศาสนาแล้วนะต้องรีบศึกษาถ้าไม่รีบศึกษานะไม่นานพระพุทธศาสนาก็จะหายไปเพราะไม่มีใครรักษาพระพุทธศาสนาให้พวกเราหรอกพวกเราต้องรักษากันเองหลวงพ่อไปอินเดียมานะเห็นเลยาศาสานสถานเนี่ยมหาศานเลยเยอะแยะมากเลยสถานที่สำคัญของชาวพุทธเหลือแต่กองอิฐกองหิน ไม่มีคนรักษาเพราะมันไม่มีชาวพุทธดังั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาพุทธนั้นะเราต้องเป็นชาวพุทธพัฒนาตัวของเราขึ้นมาเป็นชาวพุทธที่แท้จริงให้ได้ต้องศึกษาธรรมะอะไรคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาคือสัมมาทิฏฐิคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าปราศจากสัมมาทิฏฐิก็คือศาสนาพุทธสูญไปแล้ว ถึงจะมีคนทําทานมีคนรักษาศีลมีคนนั่งสมาธนะมิก็เป็นคุณงามความดีทั่วๆไปงันเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาคือตัวสมาทิฐนะิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องศึกษานะนี่พวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมที่เป็นสัมมาทิฐิแล้วต้องรีบปฏิบัติเวลาเราฟังธรรมนะธรรมะเข้าไปอยู่สมอง เข้าหูก็เข้าสมองไปผ่านสมองนิดหน่อยแล้วออกอีกหูหนึ่งแปบ๊บเดียวก็หมดละเราต้องเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้ไม่มีที่ไหนห้เก็บธรรมะได้เหมือนที่ใจของเราใจที่พัฒนาขึ้นมานะอบรมมันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาสะสมไปเรื่อยให้บทเรียนจับใจของเราเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอบรมมันไปเรื่อยนะ เรียนเรื่องจิตศีลสิกขาเราจะได้ศีลที่ดีงามขึ้นมาศีลที่ไม่ลำบากไม่ใช่ศีลแบบทุกข์ทรมานเราต้องรู้วิธีรักษาศีลถ้าเราได้ศึกษาแล้วเรื่องศีลสิกขาให้แจ่มแจ้งนะเราจะรู้ว่าวิธีรักษาศีลไะต้องรักษาที่จิตรักษาที่ปากที่มือที่เท้ารักษายากจิตมันไวจิตมันทาชั่ว จิตมันชั่วสัอย่างเดียวนะกายวาจามก็ชั่วไปด้วยถ้าเรามีสติรักษาจิตเรื่อยๆกิเลสเกิดรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันจิตไม่ชั่วสัอย่างเดียวกายวาจาจะชั่วไม่ได้เราพัฒนาจิตใจให้มีศีลด้วยสติรู้เท่าทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องก็ด้วยอาศัยสติรู้เท่าทันนิวร์ ทั้งหลายโดยเฉพาะความฟุง้งซ่านของจิตสิ่งที่ทําให้จิตไม่มีสมาธิก็คือนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์มีห้าตัวนะมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่ากามฉันทะมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรียกว่าพยาปาทพยาบาดมีความฟุง้งซ่านจับจดในอารมณ์ต่างๆเรียกว่าอุทธัจจะ แต่จับจดแล้วมันก็จะลาคาญใจใจหงุดหงิดนะไม่ได้เต็มอิ่มสักทีนัึงวิ่งไปดูรปูปนึกว่าจะมีความสุขก็ไม่อิ่ม่มไปฟังเสียงนึงกที่จะสุขก็ไม่อิ่มใจมันยังหงุดหงิดขัดข้องอยู่ด้วยนึกว่ากุกุฎจะอุทัจจะกุกุฎจะเขาเอาไว้ด้วยกันความจริงเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันอุทธัจจะเป็นโมหะกุกุฎจะเป็นโทสะแต่ว่ามันมาต่อกันเพราะว่าฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็ลาคาญเมื่อ น, นั้นะ ความลังเลสงสัยในพ ร, นรัรน์นัตใเช่นสงสัยว่าในพระธรรมททำยังไงถึงจะถูกทำไงจะดีวบบ น, นี้สงสัยอยู่น่าคิดมากลังเลใจอยู่ในั้นใจก็ไม่สงบทีนมิถ้าความเสื่องซึมของจิตของเจตสิกมันเสื่องซึมจิตใจเสื่องซึมไม่ใช่ร่างกายนะทีนมิท้าไม่ใช่ง่วงนอนนะง่วงนอนไม่ใช่กิเลส ทีนมิทะเนี่ยรบอกว่าเป็นความเสื่องซึมของกายของใจคือจิตกับเจตสิกนั่นเองมันเสื่องซึมจิตไม่มีคุณภาพในการรับรู้อารมณ์งอยๆเนี่ยจิตไม่สงบงั้นถ้าจิตเราฟุ้งไปเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจิตก็ไม่สงบ จิตฟุ้งไปไม่พอใจในรูปเสียงกยลิ่นรสประทภะจิตก็ไม่สงบอย่าเวลาโกรธคนจิตสงบไหมก็ไม่สงบเวลาจับจดอารมณ์นะจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยจิตก็ไม่สงบแล้วรำคาญด้วยเวลาลังเลสงสัยเห็นมาในพระรัตนตรัยจิตก็ไม่สงบเวลาเสื่องซึมจิตก็ไม่สงบซึมหน่อยๆไปงั้นเองไม่มีความสุขไม่มีความสงบสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์หประการ หข้อจริงมี6องค์ทำ ม, มี6ตัวเนี้ยนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่นิวรจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะกฎของธรมม ร, งธรมะเขาเรียกธรรมนิยมกฎของธรรมามีเยอะนะมีหลายข้ออย่างอาริยสัจก็เป็นธรรมะกฎของธรรมะก็คือถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงันะ้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันนิวรที่เกิดขึ้นในจิต นิวรณ์จะดับทันทีที่นิวรณ์ดับสมาธิจะเกิดงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านสอนรวบลงมานิวรณ์มีทั้งห้าตัวแต่ว่าถ้าดูให้ดีนะทั้งห้าตัวเนี่เป็นความฟุ้งซ่านของจิตทั้งหมดเลยต้องฟุ้งก่อนนะเราไปคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดกรรมฉันทะฟุ้งก่อนนะไปคิดอย่างนี้ก็เกิดพยาบาทฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาคิดมานะแล้วหลังเลสงสัยคิดมากก็หมดเรี่ยวหมดแรงซสื่องซึม ครูบาอาจารย์สอนให้รู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านหลวงพุดูนสอนอย่าส่งจิดออกนอกจิต ท, ที่ส่งออกนอกคือจิตที่ไหลฟุ้งซ่านไปนั่นเองเคลื่อนไปนั่นเองส่วนมากก็ไหลไปคิดนหลวงพ่อเทียนสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัตินะถ้าเรารู้ทันและมีสติรู้ทันนิวรณ์5ตัวนะจิตก็จะสงบ หรือย่อลงมาเลยรู้ทันว่าจิตฟุง้งซั้นจิตไหลไปคิดเนี่ยฟุง้งฟุ้งไปคิดเนี่ยมากที่สุดนะทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งไปคิดจิตไหลไปคิดจิตส่งออกนอกจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยสมาธิจะเกิดงั้นเวลาที่เราทําสมาธิสมาธิมี2ชนิดสมาธิชนิดที่1นึน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวน้อมน้อมจิตไปอยู่ในรมเดียวเช่นเราหายใจนะเราอยู่กับลมหายใจ พอจิตใจเริ่มเชื่องไม่ทิ้งลมหายใจลมจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นอยู่ที่ปลายจมูกก็กลายเป็นแสงสว่างลมเป็นแสงสว่างนะจิตเราไปอยู่กับแสงไปเล่นแสงมีวิตกพิจาร์มีปีติมีความสุขมีเอกะกะตาคือความเป็นหนึ่งอาศัยกำลังขององค์ชาเนี่ยไปข่มนิวร์จิตปราศจากนิวรณ์ก็เกิดสมาธินี่เป็นวิธีทาสมาธิเต็มรูปแบบของคนที่เล่นชาน สมาธิรัฐย่อใช้สติรู้ทันนิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งของจิตขารที่จิตไหลไปคิดนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดแต่สมาธิที่เกิดจากการเข้าฌานจะมีกำลังกล้าอยู่ได้นานถ้าสมาธิที่อาศัยสติไปรู้นิวรณ์นิวรณ์จะดับเป็นคราวๆเดี๋ยวก็มาอีกแล้ว แต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นมันก็จำเป็นว่าต้องใช้สมาธิชนิดหลังอาศัยสติรู้ทันอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ครูบาอาจารย์ก็สอนไว้มีอย่างหัดพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช้พุทโธแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้รู้ลมหายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าน้อมจิตไปอยู่พุทโธลมหายใจก็จะไปทาสมาธิเต็มรูปแบบใช้เวลานานมากเลย แต่ถ้าพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมาแบบง่ายๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเป็นคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระอราหันต์ส่วนใหญ่ไปด้วยคณิกะสมาธิคนที่บราารลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่แม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็ได้ด้วยคณิกะสมาธินี่แหละเจริญปัญญาด้วยคณิกะสมาธินี่เองครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านก็สอนพวกภิกษุทั้งหลายท่านก็บอกว่าในจํานวนพระลหันห้าร้อยงค์เป็นพระลหันที่ได้วิชาสามหกสิบองค์วิชาสามคือระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี้ที่นี่แล้วก็ล้างกิเลสได้จากห้าร้อยนมีหกสิบคนจะได้วิชาสามต้องทรงชานรงชัน อีก60องค์เป็นพระอราหันต์ที่ได้อภิญญาหกอภิญญาหกเช่นมีฤทธังใจมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้กัเหมือนกันนะรู้ทาเรียกทิพยจักรสุรู้การจุดจิวบัติมีเจโตปริยญาณยาอย่างรู้จิตผู้อื่นในพวกนี้ล้างกิเลสได้พวกนี้ก็อาศัยกำลังของชันก็มี60องค์ใช่ มีวิชาสามหกิอภินยาห60สแล้วมีพระอรหันต์อีกพวกหนึ่งเขาบพวกอุปโตภาคอุปโตภาควิมุตต์อีก60องค์อุปโตภาควิมุตต์หมายถึงว่าหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองไม่ใช่หลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนานะทุกองค์หลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนาแต่อุปโตภาคเนี่ยหมายถึงว่าหลุดพ้นจากรูปธรรม ด้วยการที่เวลาบรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุตั้งแต่โสดาขึ้นไปเนี่ยจิตท่านเข้าถึงอรูปฌานนะั้นท่านพ้นจากรูปด้วยอรูปและพ้นจากนามธรรมทั้งหลา ย, ยความยึดถือในนามธรรมทั้งหลายด้วยวิปัสสนาดนะังนั้นพวกอุปโตภาควิมุตต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่เข้าอารูปเข้นะ า, ารูปได้มีหกสบองค์งั้นรวมแล้ว ในพระอรหันต์หองคนะ์มีวิชาสามหสิอภินยาห6หสบอุปโตภาควิมุตหสิร้อยเท่าไหร่ร้อยปดสที่เหลือคือสุขวิปัสสกะพวกอย่างพวกเรานี่แหละพวกเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไป ฉี่ก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจนี่ไปบางองค์บารมีแก่กล้านะท่านเห็นนิดๆหน่อยๆท่านก็พ้นไปเลยบางองค์เห็นของหยาบก็พ้นแล้วบางคนเห็นของหยาบไม่พอใจรู้สึกตื้นไปก็เห็นของละเอียดก็พ้นไปอย่างพระพุทธเจ้าเทศน์ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเราจะรู้เลยบางทีท่านไม่ได้เทศเรื่องรูปหนํา อย่างบางท่านท่านฟังเรื่องว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงชีวิตนี้เป็นของน้อยนักอนะไรเนี่ยใจท่านปล่อยละบางท่านต้องฟังละเอียดยิบเลยอย่างพระสารีบุตรต้องฟังเรื่องเวทนาเรื่องอะไรนะต้องฟังละเอียดถึงจะยอมปล่อยอย่าเพราะแสดงใจรักละเอียดก็แสดงใจรักพวกเรานี่เป็นพวกคิดมากต้องเรียนละเอียดหน่อยเรียนหยาบยาบวา ร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฟังแล้วจืดเพราใจของเรานะี่ยมันชินกับธรรมะแบบนั้นจนกระทั่งฟังแล้วไม่สะเทือนใจฟังแล้วเฉยๆรู้ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้นี่มีส่วนนะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้สวดเสร็จแล้วก็ลืมเลยมันไม่ถึงอกถึงใจนะ คนบารมีมากๆสมัยพุทธการเข้าฟังนิดๆหน่อยๆเขาก็ถึงอกถึงใจเขาปล่อยพเราไม่ปล่อยเราก็ต้องเรียนแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันเรียนจนกระทั่งให้หมดสงสัยจริงๆนลต้องค่อยๆฝึกฝึกจิตฝึกใจอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมาดูรูปนามการจะมาดูไตรลักษณ์ของรูปนามการจเจริญปัญญาเนี่ย คือการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะเห็นความจริงของมันว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนะฉนั้นอย่างบางท่านพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกรุสุภาษะอะไรเนี่ยนะปฏิกรุสุภาษะไม่มีสภาวธรรมรองรับไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะพิจารณาร่างกายว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายมารณสตินี่เป็นสมถกรรมฐาน ต้องดูสิ่งที่มีรูปธรรมนามธรรมรองรับไว้นะดูอย่างที่มันเป็นเห็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์เงินวิปัสสนากรรมฐานเนี้ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เห็นรูปธรรมนามธรรมบางคนไปดูท้องพองยุบนะเขาบอกทำวิปัสสนาเห็นท้องพองท้องยุบไม่ใช่วิปัสสนาเพราะยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นใจรักก็ต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยนะหรือเห็นว่ารูปนี้ถูกบีบความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเรียกว่าทำวิปัสสนาคนที่จะทำวิปัสสนาได้ต้องผ่านการฝึกจิตมาก่อนต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ตอนเด็กๆได้เจ็ดขวบ เดินกับท่านพ่อหลีฝึกอนาปนสติที่แรกไม่มีตัวผู้รู้นะพอจิตสงบมันสว่างขึ้นมาแล้วก็ออกไปเที่ยวจิตฟุ้งสั้นออกไปเห็นโน้นเห็นนี่ไปเที่ยวสวรรค์ไปดูสวนดอกไม้ของเทวดาไปอะไรต่ออะไรเห็นจริงนะแต่สิ่งที่ไปรู้ไปเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกไม่มีภูมิที่รู้เลยว่าสิ่งที่ไปเห็นนั้นจริงหรือเปล่าจิตอาจจะหลอนทั้งหมดเลยก็ได้เพราะกาลังของสมาธิ ไม่มีตัวรู้นะต่อมาเกิดกลัวผีว่าออกไฟถ้าไปเจอเทวดาไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีนี่กลัวอย่างนารกนี่ไม่ไปเลยกลัวผีนะพอกลัวผีขึ้นมานึกขึ้นมาอย่างนี้นะจะคอยไม่ให้จิตออกนอกพอหายใจพอจะเคลิมรู้เลยว่าพอมันเคลิมเนี่ยมันจะเคลื่อนอย่างนีงเน้เคลื่อนตามแสงออกไปอย่างเงี้ยนะมันจะออกนอกงั้นเวลาพอนาพอใจจะเคลิ้มนะจะหายใจแรงขึ้นนิดนึง รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แต่ก็ทำอะไรไม่เป็นนะแล้ว่าได้ตัวรู้มาทำอะไรไม่เป็นแต่ว่ารู้สึกตัวอยู่ใจไม่เคลื่อนไปรู้อยู่อย่างนี้ได้แค่นี้แหละใช้เวลายี่สองปีเสียเวลานานเลยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์สอนวิธีที่จะไปต่อเดินปัญญาไม่เป็นเคยได้ยินได้อ่านอนะว่าครูบาอาจารย์สอนบ่าพุทโธพิจรณนากายมาพิจรณากกายก็ไม่สะใจ ดูผมผมก็หายเห็นหนงันงศีรษะหนังศีรษะหายเห็นหัวก็โหลกหัวก็โหลกก็หายไปมาดูร่างกายเนื้อหนังหายเหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเป็นก้อนเล็กๆเป็นเกล็ดเล็กๆดูลงไปอีกมันสลายเป็นแสงสว่างกลายเป็นคลื่นแสงแสงเป็นคลื่นนะเป็นคลื่นสลายไปอีกเหลือจิตอันเดียวไปต่อไม่เป็นที่จริง ถ้าจะต่อก็คือดูจิตต่อไปเลยเพราะว่าไม่มีรูปให้ดูนะแต่ว่าเบื่อหน่การดูกายมากเลยรู้สึกตื้นไม่สะใจนะรู้สึกไม่สะใจดูปุ๊บปุ๊บก็าหายไปไม่สนุกจนอายุยี่สเกไม่เจอหลวงปูด่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูทีแรกก็ดูไม่เป็นไปรักษาตัวรู้ไว้นะจะไม่ให้มันเคลื่อนไปจับอารมณ์เลย ถ้ามันเคลื่อนไปเกาะอารมณ์ต้องหาทางแยกแยก่งหรือทําลายหรือระเบิดมันนหะ้ม้นกลับมาเป็นตัวรู้เองฝึกอยู่สามเดือนนะอันนี้ได้ตัวรู้ที่เด่นดวงแล้วไม่ค่อยไหลเข้าไปแล้ถ้าไหลไปดูปุ๊บก็จะหลุดออกมาเลยพวกเราเห็นจิตที่ไหลไปเกาะอารมณ์ไหมดูออกไหมชอบไหลเข้าไปจับอารมณ์จับแล้วปล่อยเร็วไหมต้องหัดนะสามวินาทีต้องปล่อยให้ได้นะต้องฝึกเพื่อลดความตาย ควมเนี่ยเขามีเวลาสองสามวินาทีแล้วค่อยคอหักอะไรเงี้ยนะจิตจะเป็นผู้รู้าพาเอาตรวจรอดได้ไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าทำผิดะไปแทรกแซงอาการของจิตไปบังคับจิตอ่ะควบค่มจิตนั่นไม่ให้ไม่ให้ออกไปรับอารมณ์ให้ไปดูใหม่อันนี้ไปดูคําว่าดูมันบอกตัวเองอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรรู้อย่างที่เขาเป็นนั่นแหละ ก็จะเห็นว่าเออจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะสแสดงใจลักษตลอดเลยนี่ดูใจลักแหละนะดูง่ายๆพวกเราดูเป็นทุกคนแหละแต่ละเลยที่จะดูอย่างความสุขเป็นไงเราก็รู้ความทุกข์เป็นไงเราก็รู้โลบหลุดหลงเป็นไงก็รู้นะขยันขึ้นมาขี้เกียจขึ้นมาก็รู้เนะี่ยดูเป็นทั้งนั้นอิจฉาพยาบาทรู้จักทั้งนั้นเลย เราก็แค่เห็นสภาวะที่กำลังปรากฏขึ้นกันใจใจกำลังอิจฉาอยู่รู้ว่าอิจฉาก็จะเห็นเลยความอิจฉากัจิตมิโครล้านกันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจะเห็นทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปเดินปัญญาไปเรื่อยๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าเราเดินปัญญาเป็นนะเราควรจะได้อะไรบ้างควรจะควรจะได้อะไรบ้างแต่อย่างบางคน วันหนึ่งดูสองสานาทีนะที่เหลือหลงหลงไปหรือว่าวันหนึ่งปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงเวลาที่เหลือหลงเต็มเหนียวหล ง, หลงโลกไปเลยแล้วจะมาบอกว่าภาวนาเจ็ปีแล้วทําไมไม่ได้ลองนับชั่วโมงที่ภาวนานะั้นนิดเดียวเองนะนีนเวลาภาวนานิดเดียวเอาเวลาหลงโลกนี่เยอะมากเลยแค่เวลาสวนเสีย ห, หาก็มากกว่าเวลาภาวนาลนะงั้นเราภาวนานะปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทา เกิดเป็นมนุษย์ยากนะกว่าจะได้ฟังธรรมะที่ดีๆยากเมื่อได้ฟังแล้วนะคนที่ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทมก็มีน้อยอีกคนที่ฟังมีเยอะแยะแต่คนที่ลงมือปฏิบัติจริงๆให้สมควรแก่ทรนะมีน้อยคนที่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ทมก็ได้มรดได้ผลนะในชีวิตนี้ไปคนที่ยังย่อหย่อนอยู่ก็ไดในชาติถัดๆไปนะ คนที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ไดนะ้ก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนเพราะนั้นการที่เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากการที่จะเกิดมาในยุคที่พระสัทธรรมยังดำรงอยูนะ่เป็นของยากการที่จะได้ฟังธรรมะเป็นของยากอย่างขณะนี้พระสัทธรรมยังดำรงอยู่คนในโลกมีทั้งหลายพันล้านมีกี่คนที่มีโอกาสฟังอย่างพวกเราฟังธรรมะแท้ๆไม่ใช่แค่ทำฐานถือศีล จริยธรรมอะไรแค่นั้นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนะี่ยากเมื่อได้ฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัตินะอันนี้ยิ่งน้อยลงไปอีกนะต้องใจแข็งจริงๆมันก็ยากเหมือนกันที่จะลงมือปฏิบัติแต่ถ้าผ่านความยากทั้งหลายนี่นะมักผลไม่ยากละมักผลไม่ยากที่เราจะได้ในชีวิตนี้โสดาสกัตคาอะไรเนี่ยคารวะทำได้นะอันนี้สอนโยมนะ ต้องพักเพียร น, น, นะนะเรียนให้รู้หลักนะหลักของไใรสิกขาทิ้งไม่ได้เด็ดขาดเลยทุกวันนี้คําสอนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะแฝงเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนา ม, มากมายมหาศาลเลยอย่างสอนบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยจิตดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนี่มันมิจฉาทิฏฐินะอักริยะทิฏฐิไม่ต้องทําอะไรเล ย, น, น, นะ ย, เลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะจิตประพัสอน เมื่อเราไม่ต้องไปทำํำพระพัฒสอนไม่ได้บริสุทธิ์พระพาฒสอนนั้นแค่สว่างสวัยเป็นคําสอนในขั้นสมถะจิตมันฟ่องใสอยู่แล้วสว่างอยู่แล้วนะมันเศร้าหมองเพราะกิเลสเพรนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสมาไม่ได้นะจิตก็สวา่างสวัยมีความสุขมีความสงบได้สมถะนะพระพัฒสอนไม่ใช่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ต้องขัดเกลามันด้วยมีปัสนากรรมฐานด้วยการเจริญปัญญาเห็นไตรลักษ์ของกายของใจของรูปของนามเรื่ยไป หรือบางคนก็สอนประคองจิตให้นิ่งว่างนิรันดอนอยู่ภายในนิรันดอนมีภายนอกมีภายในไม่ใช่พันิพาณนิพพานไม่มีนอกไม่มีไหนหรือนิ่งว่างพระุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเจริญสติเจริญปัญญาด้วยการนิ่งว่างไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนสติปัฏฐานมีแต่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนา ไม่มีสอนเรื่องสุญญาตาน้อมจิตให้อยู่กับสุญญาตาไม่มีเนีย ม, มีชาิทิฏฐิแล้วนะแฟงเข้ามาเต็มไปหมดเลยหรือบางคนก็บอกว่าทำบุญไปเยอะๆแล้ววันหนึ่งก็บรรลุไปเหมือนอยากกินลูกมะม่วงนะแล้วก็ไปทำนาก็ได้เข้าเปลือกไม่ได้มะม่วงอะไรเงี้ยต้องทำเหตุทำผลให้ตรงกันนะอย่างไปทำทานมากๆทำให้รวยคนทำทานทำไมรวย ท, ท, ทั้งทที่จน ก็ใจมันรู้จักพอมันก็รู้สึกว่าพอแล้วมันก็รวยละนะรวยมหาศาลมีหมื่นล้านมีห้าหมื่นล้านใจไม่อิ่มไม่เต็มมันก็จนอยู่นั่นแหะมันหิวตลอดนะคนทาทานได้นะกล้า ส, สละไดนะ้มันพอแล้วมันรวยลวนะคนมีศีลไหมมันผ่องใสหน้าตาน่ารักหมนะหน้าตาสดชื่นคนทูศีลโมโหโทโศเกลี้ยกล่ดทาร้ายคนอื่นหน้าหงิกหน้างอ ดูไม่สวยไม่งามคนมีสีน่าสวยคน่านี้คนรู้ความจริงของรูปนามมากๆก็ไม่ได้ปัญญาเราต้องทำเหตุกับผลให้ตรงกันนะแต่สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ไม่ทาอะไรเลยสิ่งที่ต้องทำก็คือเรียนเรียนในสิ่งสามสิ่งสามเรื่องเรียนวิธีที่จะรักษาศีลเรียกว่าศีลสิกขาเรียนวิธีที่จะให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าจิตสิกขา เรียนวิธีที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นในใจเราเรียกว่าปัญญาสิกขานะถ้าเราทิ้งสมสิ่งนี้ก็คือเราทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราไปเชื่อคำสอนของพวกมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไม่ได้เลยนะต้องทำแต่ทำอะไรทำรศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาทำให้ถูกเรื่องทำเลอะเทอมูไม่ได้ผลนะเอาไปทานข้าวไป